บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยะแห่งจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามลึกดูจิตของตนในคู่ต่อไปนั้นได้ทรงแสดงว่าเมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะ เมื่อจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโทสะเพื่อรู้สภาวะของจิตตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆั้กอนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดว่าในชั้นของปริยัติคือการศึกษานั้นก็ต้องแสดงโดยในยะนี้แต่ในด้านของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์ลักษณะของจิตในแต่ละขณะซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดก็ตามให้รู้สภาวะของจิตตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆเช่นในขณะที่จิตประกอบด้วยโทสะอยู่นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงกลับไปประกอบด้วยราคะก็ได้เมื่อประกอบเป็นราคะก็ดูจิตที่ประกอบด้วยราคะ และในที่ในขณะที่ประกอบด้วยราคะอยู่นั้นแทนที่จะกลับเป็นปราศจากราคะอาจจะกลับเป็นเมตตาก็ได้ก็ดูในช่วงของเมตตาต่อไปนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของจิตแต่เมื่อแสดงโดยรูปของปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติก็ทรงแสดงไว้โดยความเป็นคู่คู่กันลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยโทสะนั้น คือสภาวะของจิตที่มีความกระด้างมีความรุนแรงปรากฏขึ้นตามปกติแล้วเหตุเกิดของจิตที่ประกอบด้วยโทสะนั้นอาจจะเกิดมาจากอารมณ์ภายในคือนึกขับแค่นขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาจากแรงกระตุน้นจากภายนอกอาจจะเป็นการกระทําของคนของสัตว์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และทําให้จิตมีความรู้สึกเป็นโทสะคือความประตุสร้ายหรือความโกรขึ้นมาแต่ลักษณะของกิเลสประเภทนี้เป็นกินเลสกิเลสประเภทที่มีความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้นแต่จะล ด, ดลงในเวลานรวดเร็วเพราะมีอาการแผดเผาที่มีความรับร้อนจัดยามใดที่จิตประกอบด้วยโทสะรุนแรง อาจจะแสดงกระทําพูดออกมารุนแรงได้แต่เพราะเป็นการลดอย่างรวดเด็วบุคคลมักจะได้สติสำนึกเสียใจในกรณีที่ทำอะไรไปด้วยอำนาจของโทสะเมื่อก่อนนั้นและการปรากฏตัวของจิตที่ประกอบด้วยโทสะนั้นจุดเริ่มต้นจะออกมาทางสองทาง ทางหนึ่งนั้นคืออาการของโทปนัสเสียใจได้แก่การประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาทิบาลีใช้คำว่าอนิถารมเกือลมที่เราไม่ต้องการอาจจะเป็นการพัาดพลากจากปีชลคนที่รักประสบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบหรือประสบด้วยความเสื่อมด้าบเสื่อมยศถูกคนอื่นก็นินทา หรือแม้แต่มีความรู้สึกว่าตัวเองทำดีแล้วไม่ได้ดีก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าโธมนัดคือเสียใจหรือน้อยใจแต่ความเสียใจหรือน้อยใจนั้นเองเมื่อเรานำมาคิดบอ่อยๆเข้าอาการกรุรุนของจิตก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะที่ร้อนขึ้น บางครั้งบางคราวบุคคลอาจจะเคยพบพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของบุคคลอื่นทัทง้ทงๆที่เริ่มด้วยความสีใจหรือความทัดทากแต่พอคิดไปคิดมาก็ออกมาในรูปของโทสะบางครั้งบางคราวก็หยิบข้าวของมาคว่างปารุนแรงบางครั้งก็อาจจะพูดจาออกมาด้วยคาที่หยาบคายไร้กาต่างๆนี่คือความเปลี่ยนแปลงของ ที่เกิดการเกิดจากการปรุงคิดแต่คิดปรุงของบุคคลเหล่านั้นทางทังที่จุดเริ่มต้นเป็นเรื่องของความเศร้าโศกความทุกขรมารความเสียใจมีการเจือโลภะอยู่มากใหม่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับมาออกมาเป็นโทสะได้นี่คือลักษณะอย่างหนึ่งลักษณะอีกอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในแนวที่เราเรียกว่าปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งความหมงุดหงิด ความไม่พอใจไม่ยินดีส่วนมากแล้วจะประรับการกระทาของบุคคลอื่นแต่การประรบนั้นอาจจะประรบในเรื่องอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ก็แล้วแต่จิตจะไปเหนี่ยวนึกการกระทาของบุคคลอื่นในกรณีอะไรลักษณะของโทสะที่แสดงออกมานั้นถ้ามองดูถึงอาการแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าํมคัน คือเขาทำไม่ดีก็ไม่พอใจอันนั้นพอทำเนาแต่คนอื่นก็ทำดีเราก็ไม่พอใจด้วยจึงกลายเป็นอาการขำขันทางจิตแต่แท้จริงแล้วก็เกิดขึ้นเช่นนั้นจริงๆในข้อนี้ทรงจำแนกสแสดงความกระจายไปของอารมที่เจือด้วยโทสะประรบการกระทำของบุคคลทั้งหลายในการทั้งสามเรียกสำนวนบาลีว่าอาคาตวัตถุ คือวัตถุอันเป็นที่ตั้งหรือกรณีเหตุเกิดของความโกรธความพยาบาทความประทุษร้ายเช่นเนี่ยวนึกเหตุการณ์ในอดีตถึงการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าบุคคลเหล่านั้นได้ทําความเสียหายให้แก่เราหรือทําความเสียหายให้แก่ญาติของเรานี่หมายความว่าเป็นการกําหนดถึงการกระทําไม่ดีของเขาแล้วก็เกิดความไม่พอใจ ดูแล้วก็พอทำเนาพอเข้าใจกันได้ตีความคิดหนึ่งนั้นเกิดเหนียวนึกว่าคนนั้นได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนที่เป็นศัตรูของเรานั่นคือลักษณะลามปามทางอารมณ์คนก็ทำดีแ ท, แท้แต่พอดีเกิดไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบคนนั้นเลยถูกไม่ชอบไปด้วยทางๆ ท, ที่เขากระทาดีดังนั้นการวินิจฉัยตัดสิน การกระทำของบุคคลในชีวิตประจำวันนั้นถ้าหากว่าหักออกมาในรูปของอานาจกิเลสแล้วจึงไม่เคยรอดขายของอากาติทั้งสีประการไปคืออาศัยความผูกพันการเป็นการส่วนตัวบ้างความไม่ชอบการเป็นการส่วนตัวและความกลัวตลอดถึงความไม่เข้าใจเหตุผลลักษณะาการตัดสินอารมณ์ในแนวนี้ จึงเกิดขึ้นจากโทสะที่สืบเนื่องมาจากโทสะท่านชายสําโวจอีกอย่างหนึ่งว่าความโกรธที่เกิดเพราะความโกรธคือหมายความว่าเราเกิดเราเกิดโกรธบุคคลคนหนึ่งเช่นว่าเกิดโกรธนายขอเป็นทุนเดิมอยู่นายขอไปทําดีกับนายขอแทนที่จะยกย่องว่าเขาก็ทําดีแต่เพราะเกิดไปกระทําดีกับนายขอซึ่งเราไม่ชอบเราก็เกิดโกรธด้วย นี้ก็คือการปราลบอารมณ์ซึ่งผ่านมาแล้วในอดีตก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิกะคือความหมงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งอาจจะปราลบเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่ามันเกิดจากแรงกระตุ้นในปัจจุบัน จะเห็นการกระทําของบุคคลอื่นในทางที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนหรือแก่ญาติพี่น้องของตนแก่มิตรสหายของตนก็เกิดความไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็เห็นการกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูของตนของบุคคลอื่นก็เกิดไม่พอใจเหมือนกันเบตาส่ายไปอนาคตในลักษณะของการคาดหมายการกระทำเท่านั้น เหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเราปรุงขึ้นมาเองเราคาดหมายเอาเองเกิดกรดเองเรื่องทั้งหมดเป็นการประทุษร้ายใจตนเองของบุคคลนั้นคนอื่นยังไม่ได้ทำอะไรมาจากภายนอกนี่คือการเหนี่ยวนึกเอาเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เกิดชนมีการคาดหมายว่าคนนั้นอาจจะทำอันตรายแก่เราคนนั้นอาจจะทาอันตรายต่อมิตรสายของเรา คนนั้นอาจจะเป็นพวกกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนซึ่งเป็นศัตรูของเราเป็นการคิดเอาคาดหมายเอาคาดเนเอาจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าโกรธแล้วไม่พอใจแล้วนี่คือลักษณะอาการของโทสะซึ่งเริ่มต้นมาจากความเสียใจความนอดใจกับความไม่พอใจแล้วกระจายตัวเองออกมาก่อให้เกิดอาการแผดเผามีความหยาบกระด้าง ปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลเพราะลักษณะของโทสะจึงดูได้ง่ายเพราะความร้อนจัดและร้อนรุนแรงบางครั้งก็ปรากฏออกมาแม้แต่ที่อ ว, วัยวะร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่สายตาบุคคลสามารถกำหนดสังเกตความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้จากสายตาแต่สำหรับบุคคลที่ถูกโทสะกัดกร่อนใจในขณะนั้น อาจจะประสบพบความเร้าร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายคนตนเองเช่นมีความเร่าร้อนแล่นไปในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ก็แรงมากบางครั้งจนถึงจะตัวสานมือไม้ทันบางครั้งก็เกิดเกรง็งบางครั้งก็อาจเกิดผมฟูสยายขึ้นมาหน้าตาบูดเบึ้งเป็นต้นจึงกลายเป็นกิเลสประเภทที่รุนแรงและก็มีโทษมาก าหากว่าอาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติก็ต้องกาหนดรู้ประจกรักษ์ชัดว่าโทสะได้บังเกิดขึ้นภายในจิตของตนในกรณีแรกก็คือมองอาการของโทสะเหล่านั้นในประกาศต่อไปก็พิจารณาให้เห็นโทษและสืบสาวถึงต้นต่อที่มาของโทสะเหล่านั้น ดังการศึกษาการมองในแนวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องของอริยสัจสี่นั่นเองคือมองทุกข์แล้วก็มองสาเหตุเกิดของทุกข์สาเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนก็เพียรพยายามที่จะดับสาเหตุเหล่านั้นในที่สุดความทุกข์ซึ่งเป็นอาการปรากฏก็จะดับไปเองพอมาดูเรื่องจิตก็ต้องอาศัยสูตรของอริยสัจสี่เช่นเดิมคือสืบสาวไปถึงสาเหตุโดยในยะที่กล่าวมาแล้วในตอนตน้น ในประการต่อไปเมื่อพิจนามองเห็นโทษแล้วก็เพียนพยายามที่จะสลัดอารมณ์ล่า น, นั้นออกไปเหมือนไฟร้อนหรือสิ่งสกรปรกมากระทบตัวหรือเสื้อผ้าก็พยายามสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ตนแก่เสื้อผ้าและแก่จิตใจเป็นตน้นตามสมควรแก่กรณีและข้อที่ควรกำหนดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่า ทำไมใจของคนจึงถูกครอบงําด้วยโทสะได้ง่ายบ้างได้มากบ้างโดยเฉพาะในกรณีที่โทสะเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นในคมภี์พระพิธรรมท่านแสดงไว้ถึงสาเหตุสีประการด้วยกันประการแรกคือมีโทสะธาตุคือเชื้อโทสะที่ฝังอยู่ภายในจิตสันดานมันติดมาตั้งแต่เกิดลักษณะที่ติดมาตั้งแต่เกิดนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตใจได้แม้จากลูกหลานของตนเด็กเล็ก ๆ, ๆบางคนมีอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายกระทบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ก็เสียใจบางทีก็เกลียดกรึกร้งอาละวาดเป็นระการต่างๆเป็นการแสดงเห็นว่าเด็กคนนี้มีเชื้อของความโกรธฝังอยู่ในจิตมากและส่วนเหล่านี้อย่างที่เคยกล่าวมาในเรื่องของปัญญาว่า ปัญญาที่ติดมาแต่เกิดประเภทที่เรียกว่าสัชาติกะปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมันเป็นพื้นอัธยาศัยของคนแต่ละคนมีโลคจัดเด็กบางคนเห็นอะไรก็ส่งเข้าปากเรย่อียชอบกินชอบได้คขว่คว้าอยู่ด้วยชอบยื้อแย้งเป็นต้นแต่ บ, บางคนก็แสดงอาการรุนแรงออกมาทางอารมณ์นี้แสดงว่าเชื้อจิตมีโทสะอยู่มาก แล้วถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้ไปเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เพิ่มเชื้อโทกศัในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่รุนแรงตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในส่วนของการคบหาเกี่ยวข้องที่บาลีใช้คำว่าอาสวนะปัจจัยได้แก่การส่องเสพการคบหาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลกับสิ่งต่างๆเราจะมีลักษณะสลายหรือมีลักษณะเพิ่มเชือ้อ ถ้ามีลักษณะสลายมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ลักษณะเพิ่มเชื้อก็จะมีความรุนแรงสูงขึ้นเหตุที่เกิดโทสะระการต่อไปก็คือขาดความยั่งคิดที่สำนวนบาลีช้คำว่าอโยนิโสพนสิการคือไม่ได้คิดไม่ได้มองอะไรให้ตลอดสายไม่สามารถจะเทียบเคียงผลได้ผลเสียวางการรูกอำนาจแกอารมณ์ กับการควบคุมความคิดของตนเอาไว้ว่าอะไรจะมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนมากกว่าเพราะอาการของโทสะเกิดขึ้นมีความหยาบกระด้างเป็นลักษณะทำปฏิกิริยาต่อจิตได้เกิดความสับสนขาดเหตุผลการคิดโดยบานแยบขายจึงมักเกิดไม่ค่อยได้ในขณะนั้นๆอย่างสำนวนที่โบราณตักเตือนสั่งสอนบุคคลทั้งหลายไว้ว่า เมื่อความโกรธเข้ามาทางประตูแล้วสติปัญญาจะหนีออกทางหน้าต่างซึ่งก็หมายความว่าพอความโกรดเกิดขึ้นนั้นจะไม่เห็นอัดไม่เห็นทำไม่เห็นเหตุผลไม่เห็นอะไรแล้วใครไปคืนอธิบายชี้แจงหรือทำความเข้าใจกันในขณะนั้นๆก็ไร้ผลแต่นั้นในการปฏิบัติในชีวิตประจาวันของบุคคลกติไทยเราก็สอนเอาไว้ นในกรณีระหว่างสามีภรรยาคือคนสองคนขึ้นไปเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นไฟขึ้นมาก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้ําหรือกวัวเปลวไฟจะไหม้เอากระลบไปซะก่อนรอคอยเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งจึกเยนพอที่จะใช้โยนิโสมนสัสการได้ไปก่อนจึงค่อยพูดค่อยจา ก, กันแต่ถ้าคืนพูดจากกันในนั้นในที่สุดก็ได้รับเชื้อโทัวระด้วยกันอาจจะเกิดขึ้นภายในใจ และเปลวไฟจะแลบออกมาทางปากทางอาการทางกายทางวาจาจน ถ, ถึงกับประทุสร้ายทุกตีกันหรือว่าขาาฟันกันเป็นต้นนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงภายในจิตที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโทสะโดยบุคคลทั้งสองฝ่ายหรือแม้แต่ฝ่ายเดียวไม่พร้อมจะคิดหรือจะหยุดคิดรือหลักของโยนิโสพนสิการในสุดความรุนแรงก็ปรากฏเกิดขึ้น ดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาการเพิ่มเชื่อของปัญญานั้นบุคคลอาจจะเรียนรู้จากสภาพต่างๆที่ปรากฏโรครอบตัวตนเองข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในตอนในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ตอนพร้อมพระองค์ไปเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆละเพราะเห็นคนทะเลาะ ก, กัน ได้พบครอบครัวบางครอบครัวประสบความยากไร้บางครอบครัวญาตินิตายร้องหยหร้องไห้เสียใจได้พบกลุ่มนักเลงสุราเมาสุรากลุ่มตัวเองไม่ได้ได้พบคนบางพวกที่กำลังทะเลกกาะกันเป็นคนเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่พระองค์น้อม น, นึกเข้ามาเป็นโยนิโสมนสิกันเป็นการค่อยๆเพิ่มเชื้อจากความดีที่มีอยู่แล้ว คือแทนที่จะมองความรุนแรงเหล่านั้นว่าเป็นความรุนแรงสําหรับเขาแต่ก็น้อมนึกในแนวมรณะสติอย่างที่เคยกราบมาแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําเป็นภาษาบาลีสามคำเอวังธ ร, รมโมเอวังภาวีเอวังอนัจิโตอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดามีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นสภาพอย่างนี้ไปได้ วันโทสะนั้นเวลาเกิดขึ้นแก่จิตใจใครแม้จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลอื่นในขณะหนึ่งที่เขาทะเลาะวิวาทกันก็วินิจฉัยได้ทันทีว่านั้นก็เพราะโทสะโทสะเกิดขึ้นกันในายกนายขอนายกนายขอก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นกันนายกคนเดียวนายกก็งดหงุดหงิดไปด้วยอํานาจของโทสะเพราะนั้นเวลาโทสะมาเกิดแกเราก็จะเป็นอย่างนั้นจะมีความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา จะต้องแสดงสภาวะเป็นอย่างนั้นออกมาและไม่ล่วงล่วงสภาวะเป็นอย่างนั้นไปได้เราน้อมนึกหาบทเรียนจากพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะช่วยให้หลักโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นควบคุมหยุดยั้งความคิดของตนได้แต่ถ้าหากว่าขาดโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยเหตุเหตุผลนัน้นแยบขาดแล้วเราก็จะพบะพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายในโลกที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะข่าวคราวในหนังสือพิม เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เ, เป็นเชือไฟเพียงเล็กๆท่านั้นเองแต่แทนที่จะเอาน้ำมันดับเอาน้ำมันมาราดลงไปเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายสร้างความปิบัติเดือดร้อนให้ทั้งแก่แกตนเองและแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องจนว่าเกิดความไม่พอใจกันเพียงเล็กๆน้อยๆเถียงกันไปเถียงกันมาขาดความคิดพิจารณา อยู่ใกล้อาวุธอยู่ใกล้ปืนหรือพกปืนอยู่ก็ดึงอาวุธเหล่านั้นเข้ามาปราประหารกันแต่ในที่สุดฝ่ายหนึ่งก็างตายฝ่ายหนึ่งก็ต้องหนีหรือจิตขุ่มญาติพี่น้องก็พอประสบความเดือดร้อนความเสื่อมเสียตรงนี้จะมีธรรมะข้ามาตัวเดียวเท่านั้นเองคือโยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยบานแยกคลายก็ยตุติเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นลงไปได้แต่การที่เกิดขึ้นก็เพราะขาดขาดโยนิโสมนัสิกานดังกล่าว ประการต่อไปนั้นเพราะขาดการศึกษาการสำเนีจ ก, การสดับสับฟังเรื่องของธรรมะนั้นเป็นอาหารใจคนเราต้องรับประทานอาหารดูสมัครเสมอเพื่อร่างกายจะสามารถดำรงอยู่เจริญเติบโตมีกำลังแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคไม่เกิดขึ้นแตะสามารถประกอบภารกิจการงานของตนได้ จิตใจก็ควรจะได้รับอาหารคือธรรมะเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็ควรจะนึกคิดเป็นโยนิโสมนัสิการดังกล่าวเพื่อให้อาหารแก่จิตใจของตนให้จิตใจมีความเจริญเติบโตอย่างน้อยก็โรคไยัยคือกิเลสน้อยลงและเป็นจิต ท, ที่เรียกว่ากรรมนิยะคือใช้งานได้ เวลาบทที่มีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แก้ปัญหาได้วินิจัยปัญหาได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องเลือกเหตุการณ์สองอย่างซึ่งเกิดขึ้นก็สามารถที่จะแยกได้ระหว่างเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งบางครั้งบางคราวแม้ดีด้วยกันแต่ก็มีดีมากดีน้อยซึ่งผู้มีปัญญาถ้าจะเป็นจะต้องเลือกเอาอย่างใดจหนึ่งก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าตัวอย่างถือว่าเป็น ในแบบหลักคือการเลือกของพระโพุทธศาสนาระหว่างความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงก็เป็นประโยชน์ด้วยกันแต่เมื่อนำสภาวะหรือความเป็นทั้งสองประการนั้นนำมาเทียบเคียงกันแล้วการเป็นพระพุทธเจ้ามีประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่พระองค์และแก่โลกมากกว่าพระองค์ก็ต้องเลือกเอาเฉพาะความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเลือกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เลยไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นในกรณีที่ดีด้วยกันก็บุคคลยังต้องเลือก ว่าอะไรดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าและวเกื้อกูลแก่ตนมากกว่าเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นมากกว่าก็เลือกเอาสิ่งนั้นตอนนี้ทางนั้นการที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์สอดส่องจนบังเกิดผลได้ก็จําเป็นจะต้องมีหลักของอุปสรรคือการศึกษาสดับจับฟังมากการสําเนียมีนิทานตัวอย่างบุคคลแไปบทเรียนที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเข้าอุปการะสนับส น, นุน แต่ถ้าหากว่าบุคคลขาดการศึกษาการสับสับฟังขาดการทรงจาในเรื่องที่ดีงามไม่สามารถที่จะกาหนดกฎเกณฑ์อะไรได้และไม่ได้นำอะไรมาเพ่งพินิษความคิดที่มีอยู่ก็นำไปคิดเรื่องอื่นเป็นการเพิ่มไฟคือโทสะให้เผาไหม้แทนที่จะคิดพิจนารณาโดยบานแยกขาแยกแยะถึงผลได้ผลเสีย หรือไม่เข้าใจในเรื่องของความดีความช่วยโดยท่องแท้โตสะก็เกิดขึ้นได้ง่ายบางครั้งก็เสียปุกลิกเสียสถานะเสียคุณธรรมความดีอย่างที่โบราณท่านก็ให้สติเตือนเราไว้ดูแล ว, วิถีชีวิตของบุคคลเรานั้นเหมือนกับการต่ายเส้นรวดจำเป็นจะต้องระมัดระวังมากเลเกันแม้จวนจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ยังระมัดระวังอยู่ เพราะอะไรเพราะว่าชั่วหนึ่งทีนั้นผ่าดีไม่รอดร้อยดีพันดีคนเราทําความดีมาร้อยครั้งพันครั้งหรือหมื่นครั้งแต่ถ้าเกิดกระทําความชั่วขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอันเป็นการลุกแก่อํานาจของความรักหรือความกรดหรือความโลภข้อตางกลับไปลบล้างความดีเหล่านั้นคนจะไม่คํานึงถึงความดีจะไม่เอามาบวกรบคุณหาร เทียบเคียงกันซึ่งถ้าหากว่ามีการเทียบเคียงแล้วแท้ที่จริงแล้วความดีนั้นมากกว่าแต่ส่วนมากสภาพทางสังคมทั่วไปไว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามคนจะไม่ค่อยพินิพิจาราในลักษณะนั้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานในการศึกษาการสำนึกการสดับตับฟังของบุคคลเหล่านั้นที่มีพื้นฐานทางใจ ลักษณะอาการของเหตุเกิดของโภชาที่จะกล่าวไปนั้นก็เป็นอาการที่บุคคลเสริมสร้างขึ้นในปัจจุบันด้วยและในขณะเดียวกันก็ฝังอยู่ภายในจิตสันดานของตนและตัวการที่ออกจะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการบีบกดอารมณ์ คือกอให้เกิดความเครียดเป็นสภาพชีวิต ท, ที่มองซ้ายมองขวาแล้วมีลักษณะกระตุ้นทั้งนั้นเลยกระตุ้นโทสะกระตุ้นราคะกระตุ้นโมหะในที่สุดจิตใจก็เก็บสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไวไ้บ่อยๆพอถึงจุดหนึ่งอาจจะระเบิดออกมาจากภายนอกต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาวะความกดดันทางจิตที่แวดล้อมตนดูดนั้น ยกตัวอย่างเช่นภายในครอบครัวสภาพชีวิต ท, ที่หาความสุขไม่ค่อยได้และก็มีการเก็บกดอารมณ์ไว้มากนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงคู่สา ม, มีพันยาสามคู่เอาไว้คือประเภทที่รากสุดอยู่กับรากสดุดคือต่างคนต่างก็ร้ายๆพอๆกันทะเลาะ ก, กันเช้าสายบ่ายเย็นจิตใจทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีความสงมบมีแต่เพลิงโทสะเาะหลนใจ อีกอย่างหนึ่งเป็นการอยู่ร่วมของเทพธิดากับรากสดุดฝ่ายที่เป็นเทพธิดาคือข่ายสามฝ่ายพัญญานั้นจะมีความไม่ค่อยสบายทั้งๆ ท, ที่พื้นจิตดีไม่ได้มีโทสะมากแต่พอดีเกิดรากสดุดคือสามีที่ไม่ดีก็ทําอะไรเสริมสร้างโทสะอยู่บ่อยๆให้ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เกิดขึ้นเพราะมีการเก็บกดความรู้สึกเอาไว้หรือแนวหนึ่งเป็นการอยู่ร่วมของเทพบุตรกับ ยักขินีซึ่งหมายความว่าสามีนั้นมีเชื้อดีแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับพันยาที่มีจิตใจหงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองขี่บนจู้จี้เป็นต้นในที่สุดสามีก็เลยกลายเป็นคนเสียไปโดยอารมณ์หงุดหงิดตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมเป็นการอยู่ร่วมระหว่างเทพประกรกับเทพธิดาลูกเต้าก็เป็นเทพประรเป็นเทพธิดาน้อยๆภ า, ายในครอบครัวก็จะไม่มีการเก็บกฎ อะไรที่รุนแรงเอาไว้จิตใจก็ป่องใสเบิกบานจะมองไปในทางทิศใดก็ไม่ก่อให้เกิดอารมณ์บุญขึ้นมาโทสะก็ไม่ค่อยเกิดสมบุคคลพุทธันดังนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจิงมมือหลักอยู่ข้อหนึ่งที่สวงสอนไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปเพราะถ้ายิ่งคลุกคลีด้วยคนมากมีคนเข้าเกี่ยวข้อข้องมากร้อยคนก็ร้อยความคิด ในที่สุดส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเพิ่มเชื้อราคะเพิ่มเชื้อโทสะขึ้นภายในจิตใจองตนได้และจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีขึ้นภายในจิตนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดโทสะอีกประการหนึ่งซึ่งในช้าตของการศึกษาเราควรจำทรงเอาไว้เพื่อจะสำเนีจอสืบสาวถึงต้น ต, อ, นตอของอารมณ์แต่ละขณะที่บังเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นโทสะว่ามีสาเหตุมาจากอะไร จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ตนปรารถนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป